กับราชเวนเหล่านางทั้งปวงช่วยกันไปนี้บังบินโจห้องสูบป่าพระเจ้าโจย่อยฝากฝังราชการกับสุมาอีฝากฝันโอรสกับสุมาอีกะดีแล้วก็เห็นไปว่ากับโจห้องว่ามีดาหนี่กับสุมาอีอยู่นี่ก็เหมือนกันและบักนี้มีตาก็จะถึงแก่ความตายแล้ว เ จ, จ้จเป็ฝาดตัวคำนับซูมาอี้เหมือนบิดาเถิดแล้วก็สูมาอี้อุ่นโตฮองขวัดโตฮองก็กอดขอสูมาอี้ไว้มัน่นคง ออนันมีอะไรฝากตัวแก่ท่านท่านจะยินแก่เราอย่าได้ลืมนูน่น้อยเสียเลยอันชีวิตเราเห็นจะตายในวันนี้แล้วและเขาเจ้าโจยยอยกส็ส่งประกันแสงรำไปจนจนเจราจาไม่ออกอาการหนะักขนได้กระยกมมือขึ้นคี้ไว้ที่โจอ้อง ทีปฏิสุมาอี๋ยห่วงยายการแผ่นดินข้านมาฝากฝังู่เช่นนั้นด้ยความเป็นห่วงเป็นยายจนซึ่งใจพระเจ้าเกยย่อยสวยระเบดสิบสามปีขณะเมื่อดับศูนย์อายุได้เพียงสามสิบหกปีสุมาอี๋ยเคยแต่งการสก พระเจ้าโจยอยไปฝังไว้หน้าตำบุโกโเูเบงหลิงและโจฮองนั้นน่ะมีแจ้งว่าโดยความจริงมีแจ้งว่าเป็นผู้ใดเป็นแต่ว่าพระเจ้าโจยอยเนี่ยเอามาเรียกเป็นบุตรรักสนิทเหมบุตรในอนุทธรครั้งอยู่มาณเดีอน3ขั้นแรก จะสาัดเจอร83สุมาอีกับโจซองที่วัระการแทนโจซองนะที่คล้ายคล้ายกันอยู่และคุณนายขั้นพวงประแต่งการตั้งโจฮงห้เสเวราชจาสมบัติในเมืองหลวงโจฮงเดชโซเรรามีโจซองเป็นผู้ช่วยวาระการและเมื่อโจฮง ในคืนสวยรานั้นถ้ามีเรจะเต็มสิ่งใดโจซองผู้ช่วยราชการเนี่ยก็ปรึกษาหารืสุมาอีกก่อนกินจะตัดสินได้ก็เรียกว่าสุมาอีกเป็นใหญ่ในแผ่นดินทีเดียวล่ะที่กล่าวข้ามฝ่ายโจซองเนี่ยผู้ช่วยผู้วราชการขณะเมื่อโจซองเนี่ยยังไม่น้อยอยู่นั้น พระเจ้าโจโยอยะนับเผื่อเป็นเชื่อพระวง์คือเป็นหุู่ของโจจิ๋เนี่เรก็เห็นว่าโจซงมีสติปัญญาเข้าเฝ้าทุกเวลานม่เลยคเพระเจ้าโจยอนย่ะทรงพระเมตตาไปน็นมากอยู่แล้วโจซงคนนี้มีคนใช้สนิทอยู่ห้าคนกับมีทหารอยู่ห้าร้อแต่ก็ทหารห้าคนนั้นที่คือ โฮอัง น, นิงเป็นยังหนิงลีซินหนิงเป็นปิดหน่งปิดวงหนิงห้าคนนี้แม้ห้าคนนี้จะวาดสิ่งใดประการใดอย่างไรโจซองก็เชื่อฟังและฮวนห่องคุณนางฝ่ายกรมมานานั้นมีสติปัญญาปรากฏอยู่โจซองก็นับถือฮวนห่องเป็นที่ชอบอธยาศัายไปมาหากัน ท่านอยู่มาโคอังก็จินว่าการโจซองขือนมาตัวท่านเป็นเชื้อพระวงศ์และพระเจ้าโจยอยผู้่วปรัมก็ได้ให้ท่านเป็นผู้ช่วยราชะการกพระเจ้าหุ่นซุมาอี้เนี่ยบัดเนี่ยมีใจกจำเริบสูงสักอยู่ซึ่งท่านจะไปทำนับซุมาอี้นั่นไม่ควรมีเกิดเกิดอย่างนี้ขึ้นละ่ะ โจสองก็ตอบว่ามาอีก็เป็นที่อุปราชตัวเราก็เป็นผู้ช่วยราชการพระเจ้าโจยอยก็ได้สั่งไว้ประนอมกันทะุบำรุง ม, มานเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขและสุมาอีนั้นก็มีอายุแก่กว่าเราสึ่งจะไม่ให้เร า, มาขมับเขาในเมตควรโอ้อันก็คือว่าโจจิงบิดาท่านนะครั้งที่ไปรบกับ คงได้กอย่างนึเสียชวนะ่ะได้ความแค้นเนี่ก็เพราะซูมาอี้เนี่ยจนมีดาท่านถึงได้ความตายไปน่ะก็มีซูมาอีคาอ้คนนี้และตัวท่านน่ะจะไม่มีความแค้นไปทำนับซูมาอี้เนี่ยอควรแล้วหรือนี่กองยุยยางยุห้รั่มตามเรื่อเรื่กระทำอย่างนี้ โจองด้วยความอย่างนี้ก็ละมุดนิดถึงความเก่าความเดนินครั้งก่อนกันนูนก็มีความแท้คือเป็นความจริงครั้งถัดเราจะอโ ย, อย ย, อยแต่งตั้งให้โจจิ้งเป็นแม่ทัพฝ่ายขวาซมาอีกเป็นแม่ทัพฝ่ายซ้ายไปรบกับขนเบเราเบี่ยเหลายประการสูมาอเนี่ยมีสติปัญญากว่า ได้ผู้จ่าชี่แจงบอกกลาวให้ระมัดระวังการทั้งปวงเกี่กับกองทัพจะต้องผูกขาสิโจมปีโจกินยัง น, นี้ไม่เชื่อถือจึงเกิดการทันมันขันต่อกันขึ้นและโจกินน่ะเป็นฝ่ายแพ้ในที่สุดก็ะยอมใจเสียจใจจนถึงแก่ความตายเลยนะเนี่ยเหตุนี้มีอยู่โจซองมลนึกนึกได้ช น, นิดก้อยแคนซูมาอี้คือมาเทนเดียว กองยุ่ยแย่คือ โ, โ, โหอันได็กชีแจงคำปลวกจนกระทั่งโจซองผู้สมเร็จราชการนีมีความแค้งก็ปรึกษาแต่พระพวกทีเดียววะจำเราจะต้องคิดอ่านกราบทูิพระเจ้าโจหองให้เลื่อนที่สุมาอีขึ้นเป็นที่อาจการผู้ใหญ่จะได้มีอาจบังคับบัญชาเราได้ คนสนิตทั้งห้าของโจซองเนี่ยก็เห็นชอบด้วยโจซองก็เข้าไปปรึกษาคุณนายทั้งตวงเป็นทีวะซูมาอี้นะมีความชอบเป็นอันมากเราจะกราบผู้พระเจ้าโจฮองยาวกระสับเนี่ยให้เลื่อนที่ซูมาอี้ขึ้นไปเป็นที่อาจารย์ที่ใหญ่จะได้สั่งสอนโจฮองกับเราท่านทั้งตวง คนาผู้นายท่านผู้อ่ฟังก็เห็นชอบด้วยมีคการริกรอนอำนาจโจซงนั้นก็ได้ถือปรึกษาคุณนานงทัานผแล้วก็ขัาไปทูลพระเจ้าโจฮองตามที่ได้ผู้จาปรึกษาหารกับคุณนานงท่านไรายผู้อ่ำคุณนานงท่าหลร่เรานั้นก็มีความเห็นดีเห็นชอบด้วยทุกประการเื่อเ จ, จ้าโจฮองแจนดังนั้นก็ เปเลืนซูมาอี้ขึ้นไปเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่และตําแหน่งราชการที่อุปราชเนี่ยนะก็บอกให้โจซองในว่าตําแหน่งนี้คือตําแหน่งนี้มันมีอํานาจองคทหารทั้งปวงไว้ในกํามือซูมาอี้คือเดเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ซะแล้วไม่มีอำนาจอยู่ในกํามือละนี่โจซองได้เป็นที่อุปราช แทนสุมาอี้แล้วก็จึงตั้งโจอีอู้น้องเป็นมายทหารเอกตั้งโจหุ่นโจงา่าน้องน้อยเป็นมายทหารสายขวาโจทั้นนั้นล่ะโจ อ, อีโจหุ่นโจงา่าข้าเฝ้าก็มีทหารตามแห่คนละสามพันแม่ผู้ใดเดินผ่านมาให้จับเอาตัวไปข่าเสียนี่ มีอำนาจยิีดีเดียวจะมาตัดหน้าถามไม่ได้โจซองนั้นก็ต่างคนสนิทห้าคนนั้นเป็นคุณนางที่รุกษารการคุณนางห้าคนนั้นก็พิทักษรักษาโจสองใกล้ชิดท่านกลางวันกลางคืนความเปลี่ยนแปลงภายใน โัวเราเปลียเกิดรุ่นใหมขึ้นมาใหม่ลเลยเป็นอังกฤษซมาตีหมดอำนาจราชสำได้ขึ้นเป็นที่ใหญ่ขึ้นไปเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่เท่านั้นแหละสุมาีเนี่ยความจริงก็รู้การทั้งปงวงครรู้การกระทำของกฎเป็นเชือกระวงทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นกัน ในขนาดนั้นบ่าวไพร่ขุนนางท่านหลายท่านปวงเนี่ยตางก็ชวนกันเข้าไปพุ่งบรารมีโจซ อ, องเป็นอัมมาโจซ อ, องเป็นเป็นผู้บริ ก, การอาเป็นอุป ร, ราชที <c oughs> ่ฝ่ายสุมาเอียรู้เห็นการท่านปวงดังนั้นก็จิแ้แปลงทำปวยไม่ได้เข้าเฝ้าละพราะเติมเป็นเพียง เป็นอาจารย์คนใหญ่แล้วนี่เป็นเป็นที่ปรึกษาแต่เขาไม่ปรึกษาด้วยตนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับเขาได้ละ่ะก็เลยไม่เข้าฟังสุมาสูสุมาเกียวของสุมาอีทั้งสองเห็นดังนั้นก็มีความน้อยใจก็ลาออกจากราชการโจซองกับที่ปรึกษาทั้งหนั้นก็เป็นสุ ชวนเป็นเศษโบราทุกวันนี้เด็กขาดโจซองนั้นแต่งตัวเหมือนพระเจ้าโจฮองคือแต่งตัวเครื่องทระสักเลยถ้ามีเครื่องราชบรรณาการหัวเมืองตั้งตังตวมาถวายโจซองก็จะเลือดจะเก็บเอาแต่ของดีๆไว้ก่อนตามชอบใจรือเรือจริงๆ จ, จะส่งเข้าไปถวายเตี้ยวเตียวตองคุณนางร้อมวังเนี่ย ก็มายุยงโจซองทีเดียว่าให้เข้าไปจับนางสนมของพระเจ้าโจยอยหาผู้ร่วงลับไปแล้วมาไว้สักเจ็ดคนแคนเถิดดีเริ่มงกระทำการดังนี้แล้วโจซองก็เห็นดีเห็นชอบกระทำตามแล้วก็จับหญิงทั้งยือบรรดารูปงา ม, มีตะกุล มาไว้สำหรับขับร้องเป็นที่บรมใจอีกระมาณส0สิคและจิ้มเล็กจากช่างมาทำตึกที่อยู่ประมาณห้าร้อยหกร้อยนี่รมกระทำการขึ้นดังนี้นี่มันเป็นเป็นเรื่องของความเสื่อมความมีบัตรทางนั้นละครั้นอยู่มาโฮอันก็จิ้เกไปหาตัวอวนรอ หมอวิเศษมาแต่เนีเหวันกวนีควรรอยังมีชีวิตอยู่ควรรอหมอวิเศษก็อพอดีเปเหยื่มาอยู่หน้าที่นั้นด้วยโอังก็บอกไอวรว่ว า, วาเราฝันเห็นแมลงวันประมาณส ต, ตัวบินมาจาับ่ปลายจมูกเราเนี่ยความฝันของเราเนี่ยจะมีรายประกานได้อันนี่ท่าน็มดูตัวเรามี ว่าตัวเราเนี่ยจะได้เป็นที่มหาอุปราชหรือไม่หรือโฮอังกล่าวดังนี้ควรรอก็จริงทำไมวะที่ท่านฝังนั้นแมลงวันจับปลายจมูกสิตัวนั้นท่านจะมีความสุขอยู่แมลงวันนั้นเป็นของโสโครออันจมูกนั้นเหมือนต้นไม้สูงมีกลิ่นหอม แบบนี้ท่านมียศฐาาสัตว์อยู่แล้วจงประหยะัดอย่าเห็นแก่ขอ ง, องอดีมีควรหล่อสอนอย่างนี้แต่ใช้คําพูดไม่กระทบกระเทือนเพียงแต่คือตอนนี้มียศฐาบนบรรดาสัตว์นี้แล้วจงประหยะัดอย่าเห็นแก่ของดีนี่เขาพูดคําที่ไม่กระทบกระเทือนอย่างนี้ถ้าไม่ฟังจะมีอันตรายเหมนลมพายุพัดมาต้องไม้สูงให้หักลง แทนท่านละความโลภจะได้อุตสาบางังินตัวโดยสัตว์ซึ่งก็จะได้มีวิปัสสส์จำเริญขึ้นไปเตงเหยิยงได้ฟังกลวนหล่อทำไม้ฝันดังนั้นว่าอย่างนั้นก็โกรธทีเดียวก็ถืว่าทำไมฝันแยดูชะนี้เหมือนนีด้เรียนตามตํำราฟังเอาแต่คำพูดเท่าผู้แก่มาทำไม้เท่านั้นนี่เตงเหยียงว่าอย่างนี้ เต็งเยียงก็กดถือว่าเขาเป็นคนเก่งละอยู่กับโฮอันเนี่ยวนหล่อเดี๋ยฟังเป็นเยียงตำหนิเต็มดังนั้นเนี่ยก็ตีเก็ดชดเอาทีเดียวว่าตัวเราเนี่ยคนนีเดี๋ยเรียนตามตำราแต่เราได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวไว้ว่าถ้าผูดด้ใดไม่ฟังคําโบราณก็จะมีอันตรายต่างๆมาถึงผู้นั้นหาทางรู้ตัวไหม กนรอว่าดบบนี้แล้วก็รู้ขึ้นสมัครมีเสื้อเดินออกไปโหอันเ็งเย็นอย่างนี้นแล้วก็หัวเราะแล้วก็ูดบอกกวนรอคนเนี่ยมันเป็นบ้าไปแล้วฝ่ายกวนรอก็กลัามายังเมีองไทยงว่วนกวนแล้วก็บอกว่ามีเรื่องความตามที่โหอันกับเ็งเย็นว่ากล่าวนั่นนะ่ะให้มาชายของตนเด็ดฟังทุกประการ นาชายแก่้แล้วก็ตกใจก็จินวาโหอันกับเปนเหยียงเนี่ยเขาเป็นคุ้นนางอยู่ในโจสง่งอุลรอเอ้ยเหตุใดเ จ, าจ้าจินไปว่ากล่าวเขาดังนั้นอุลรอ ก, ก็ตอบว่าโฮอันกับเปงเหยียงเน่เป็นคนถึงตายแล้วจะ ต, ตัวอะไรอุลรอว่าอย่างนี้นาชายก็จนถามว่าเหตุใด กูจรึรู้ว่าโฮอันกับเปงเหญิงจะตายล่ะกุนหอก็ตอบว่าโฮอันเปงเหีิงนั้นรูปและลักษณะกิริยากับโลหิตน่ะเป็นปีศาจแล้วไม่ช้านะภัยจะมาถึงมันจะฆ่าตัวมันเองนี่กุนหลอว่าอย่างนี้ฝ่ายม้าชายของกุนหอน่ะก็ไม่เชื่อไม่เชื่อที่กุนหอว่าอย่างนี้ ก็จึงด่าว่าวลารอทีงว่าไอ้บ้าไม่ยอมเชื่อว่าที่เวลารอทำนายนั้นจะเป็นความจริงฝ่ายโจซองท่านผู้สเด็จราชการกับโฮอันเป็นเย็นอิสิ่งเป็นปิดปิดหุ่น หคนคู่ใจห้าสนุนคู่ใจห้าคุนอ า, นาผู้ใหญ่ในโจซ อ, องผู้สำเร็จราชการนี่ก็ตอนนี้กุมอำนาจหมดแล้วก็พากันไปเที่ยวยิงเนื้อทุกวันนี้ได้ขาดอันนี้ต้องย้อนกลับไปบบราณ น, นิดนึแต่ส ม, ยมัยนู้นนะครับถ้ามวเอาแต่เที่ยวเล่นชค่ น, นี้เนี่ยไม่ถือเป็นการไปเที่ยวเล่นคือการเที่ยวมาต่างก า, การเล่นมาต่าง ก, า ก, ากันแต่ปัจจุบัน แต่ก่อนนี้ไปเที่ยวยิงนื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องการทําบายเวลาให้หมดไปหมดเปลา่าไม่ได้ดูแลเอาใจใส่กิจการงานมีแต่ประการใดหรอกโจอี e ้เห็นดังนั้นก็ห้ามโจซองผู้พี่วะท่านก็มียศถาศาัตรงเพียงนี้จะมัวเอาแต่พากันไปเที่ยวยิงเนื้อเว่นในป่านั้นไม่ควรอี่ประการนึ่ ว่าศัตรูจะรอดมาทําอันตรายเนี่ยก็จะเสียทีแกมันโจซองได้ฟังโจอีผู้น้องมากล่าวเตือ น, นก็โกรธก็ประวัติวัติตัวเรามีบุญนี้เพียงนี้คนทั้งปวงก็อยู่ในนี้มือเราผู้ใ ด, ดจะอาจมาทาอันตรายได้นีพวกหัวหวนี้เ็นีคนก็เข้ามาห้ามโจซอง เหมือนที่โจอี้ห้ามพามอีกแล้โจสองก็บิดเบ็ดฟันก็เอาแต่เที่ยวเร่เบอะอาม่าของตนอยู่เนั้นในขณะนั้ น, น, น, น, นเป็นตอนที่พระเจ้าโจฮองสเสวยราชสมบัติมาได้10ปีเป็นปีพุทธศักราชสองพันขออภัยปีพุทธศักราช700ครับ792ดร้บสอง ก็ต้องเรียกว่าพราะเจ้าโจหองเนี่ยพระชนมายุสิบแปดแล้วรับเอาขึ้นครองราชอายุ8ปดมิมาตอนนี้สิปีมาแล้วมิก็ต้องสิแปและขั้นโจซองผู้สําเร็จราชการเห็นสุมาอิ้ป่วยอยู่นี่ก็เข้ามาเฝ้าคือสุมาอี้ก็เลยแปลงบาป่วยเขาเลยโดยต้นก็ไม่มีอำ น, นาจนาทีใดรประการใดอย่างไรแล้วถ้าไม่ตัฟอง ม, มีใจกำเริ่ม การหยาช้าต่างๆนั้นมาคุณนายท่านพวงก็อยู่ในเนือมโจดสองสิทธ์ครั้นอยู่มาโจดสองก็จิงตั้งหลีสินที่ปรึกษาจะให้เป็นเจ้าเมืองเซี่งจิ๋วตัดสังได้แต่ลาซมาอี้แต่ความจริงนั้นเพื่อจะให้ไปดูอาการสุมาอี้ด้วยแหล่าจะเป็นอาการใดตัวจริงหรือไม่ยงไร อิวุธิีการใดทาอย่างไรอยู่นั่นเองแหละหลุยสินก็รับําโจซองพูดเรื่องกิจการอ่าแลรับร่าโจซองไปยังบ้านสุมาอีก็บอกแก่คนชายาเราจะขอเข้าไปหาสุมายิคนชายก็เข้าไปบอกแก่สุมาอีสุมาอีเ็แกแจงนั้นก็ว่าดแก่สุมาสูสุมาเตียบุตรทั้งสองวัดอังลีสิน คนสนิทโจสองมาหาเราเนี่ยเป็นดพืโจสองแกล้งช้ให้มาดูเราว่าจะป่วยกิงหรือไม่กินนั่นเองนี่สุมาอีคาเมการก่อนเลยและสุมาอีมันก็ขยายผมเอาผาหมมาหมให้หญิงคนชายทั้งสองมาประคองเอาตัวออกไปรับหนีศิลเข้ามา คือทำเองว่าคนเจ็บหนักหนีศินเข้ามาหาธรรมะเพราะก็กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่าธรรมอาจารย์ผู้ใหญ่รวยหนักถึงเพียงนี้บัดนี้มีรับสารข้าเจ้าโจหองให้ข้าปเจาไปเป็นเจ้าเมินเสียงกิว๋วข้าพเจ้ากิงมาลาหวังที่จะลาท่านไปข ว, วัญมิโจ้ทรงพิจารณนาะ จัด ก, การให้หลีกสิ้นไปแต่การหบอกกล่าวนี้ก็จะบอกเป็นรับสั่งเพื่อเจ้าโจฮองก็แต่มือครั้งก่อนนู่นแหละเจ้าเมงเกศโฉจะทําการใดอย่างไรก็เป็นรับสั่งทางนั้นนี่เช่นกันละ่ะสุมาอี้เหล่นี้ก็ทําเป็นเป็นหุเป็นคึงเป็นอะไรอยูแต่แกล้งอยู่บ่าโอรับถึงรับสั่งให้ท่านไปเป็นเจ้าเมือง เป็นจิวนั่นก็ดีอยู่แล้วความจริงเขาบอกว่าไปเป็นจำือนเสียงจิ๋วสุมาอี้ทำเป็นว่ายินว่าเปงจิ๋วบอกว่าให้ไปเป็นจำนวนเป็นจิ๋วนันก็ดีอยู่แล้วด้วยงูนเป็นจิ๋วใกล้กับมูลหลวงมีราชการจะได้ให้หามาันง่ายๆหรือซ่งก็คิอว่าไม่ใช่มูลเป็นจิ๋ว เมื่อรับสั่งให้ขับเจ้าไปเป็นเจ้าเมืองเสียงจิ๋วตันหัดจุมาอีกก็หัวเราะแล้วก็แกล้งถามว่าอ๋อนีท่านมาแต่เมืองเสียงจิ๋วหรือคือทำเป็นหุตึงแต่มากกว่าอย่างนั้นเจ๊ทไทเด็กป่วอยู่ยังนี้ด้วยด็ยินไม่ชัดไม่เจนละแกล้งทําไป็นหรือสิ่งก็คือว่าท่านอาจารย์มีป่วยนะจิ้มผู้ฝั่นเฟือนไปคนชัยก็ ว่าผู้เปื่อยคลายเนี่ยจนลมกําเริบขึ้นทําให้หูหนักผู้ใดเจราจาก็ไม่ใครจะได้ยินท น, นัดหรอกหรือสิ่งก็แค่ออกกระดาษกับพูกกันมาเขียนนังสือเดยวว่าพระเจ้าจัวหองให้ขบเจ้าไปเป็นจะเรียนเสียงจิ๋วขบเจ้าจีนมาธรรมบลาเอาเขียนนังสือแล้วก็ส้งสุมาอี ด, ดูสุมาอีเห็นแล้ก็จินทําไปว่าอ๋อ บาดนี้โปรดให้ท่านไปเมืองเสียงกิวมีแล้วอุตส่าห์ทำตราชการรักษาตัวอย่าประมาทและสุมาอีก็มีที่เข้าติดปากหญิงคนใช้ก็เอาน้ำเขาต้มมาให้สุมาอีกกินกข้ไปแล้วก็แกล้งสะอึกให้น้ำข้าวนะ่มันไหลออกมาหวังที่เทพฤษีหเห็นว่าตนอย่กป่วยนะแล้วก็พูดว่า ตัวเราทุกวันนี้ก็ชราแล้วทั้งโรคก็กำเริบป่วยหนักอยู่จะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่รู้เลยนันซูมาสูซูมาเกียวบุตรเราทั้งสองคนนี้ก็เป็นคนโฉดเขา่าถึงจงเอ็นดูสั่งสอนด้วยเถอะจงช่วยบอกโจซองว่าเราขอฝากบุตรทั้งสองด้วยเถอะ มาอี้พดดังนี้แล้วก็เอนตัวนอนลงทำเป็นหอบขึ้นละรีสินก็ ก, กลับมาบอกแกโจซองตามที่ตัวรู้ตัวเห็นขวัตุมาอี้ตัวยนะพูดจาว่ากล่าวประการใดอย่างไรก็บอกให้ฟังทุกประการโจซองท่านพูดด้วยราชการในแก่นั้นก็ดีใจด้วยมิสามารถรู้ทิศอน ซึ่งของสุมาอี้เลยแล้วก็จึงพูดว่าถ้าไอ้คนนี้ตายแล้วเราก็จะสิ้นความวิตกถึงจะทำการสิ่งใดก็จะสำเร็จได้สะดวกว่าสุมาอีอ้เมื่อหลีสิงกลับไปแล้วเนี่ยสุมาอี้ก็พูดกับบุตรทั้งสองว่า หนีสิมาเห็นบิดาก็ทําตัวอยู่อย่างนี้ก็จะต้องกลับไปบอกโจซองเห็นว่าโจซองคงจะไม่มีความสงสัยในเราแล้วเราจะคิดเราจะคิดอ่านเตรียมการไว้ให้พร้อมถ้าโจซองออกไปไล่เนื้อเมื่อใดเห็นได้ทีแล้วเราจะทําการมีสุมาอีกกล่าวอย่างนี้ สุมาอีจะทำการใหญ่ละกล่าวไปประการหนึ่งโจซองกำลังทำลายตัวเองอยู่แล้วสุมาอีบอกกล่าวอย่างนี้เลยถ้าโจซองไปไล่เนื้อมาด้เห็นได้ทีแล้วเราจะทำการสุมาสุสมาเตียวบุตทั้งสองของสุมาอี ก, ก็รับคาแล้วก็เตรียมการไว้ครันโยมาวันนี้ โจซองทัาผู้ตรราชการให้แต่งเครืเส้นไว้แล้วก็ทูลเชิญเสด็จพระเจ้าโจหองและคุณนางทั้งวงออกไปจะเส้นศพพระเจ้าโจยอยมาตำบลโกเบงหลิงแล้วก็จะไปไล่เนื้อเล่นด้วยขนาดนั้นโจอี้โจหุ่นโจง่างผู้น้องก็คุ้ตาหนตามสเสด็จไปด้วย ขันออกไปถึงนอกเมืองหวนห่อมก็เข้ามายุดบมงเห็นมาโจสองไว้แล้วพูดว่าท่านเป็นผู้ใหญ่จะพาพี่พาน้องออกนอกเมืองชะนี้ไม่ควรเปิดจะมีอันตรายขึ้นในเมืองเห็นจะป้องกันได้ไม่พันท่วงทีโจสองได้วันนั้นก็โกรธนี่คนมีอำนาจเด็กเป็นก็โกรธง่ายระวังอะไรทีเดียว แล้วก็คุ้นนางทั้งปวงอยู่ในเนื้อมือเราสิผู้ใ ด, ดจะบางอาจเป็นขบดได้ท่านจะมาว่าให้มากมายไปเลยว่าแล้วก็ขับมาตามเสด็จไปฝ่ายสุมาอีแจ้งว่าโจซองโจอีโจอุ่นโจงา่างสีแต่โจผู้ยิ่งใหญ่ป่ากับทหารอันมีชื่อทั้งห้า คือโอ้อันเป็นเยิงมเป็นปิดปิดว้วนหลีชินครบถทั้งห้าพร้อมทั้งฐานทั้งตวงตามสเสด็จพระเจ้าโจหองออกไปเยี่ยมศพพระเจ้าโจยอยและไปเที่ยวเล่นป่าชะเนี้ยรี่ว่าตัวสำคัญออกนอกเมืองไปหมดเลยออกหมดเมืองเลยสุมาอิ้เี่ดีใจนะเพราเข้าไปในเมืองและจีนไท้โกยิ้ว แต่งตัวเป็นขุนนางผู้ใหญ่มีทหารถือสัตวระบุตแห่หน้าแห่หลังเป็นน้ำมากให้ไปล้อมจวนของโจซองท่านผู้เป็นราชการเข้าไว้แล้วก็ใช้อองขวัแต่งตัวเป็นไสนาบรีผู้ใหญ่มีทหารถือสัตวระบุตแห่หน้าแห่หลังไปล้อมจวนโจอี้เข้าไว้ฝ่ายซูมาอีพาขุนนางเก่าทั้งปวง เข้าไปเฝ้านางกว้วยไทยเหา่ามารดาของพระเจ้าโจโหองและก็กราบทูลว่าบาักนี้โจซองผู้เสนอราชการไม่คิดถึงคำพระเจ้าโจโย่อยซึ่งได้ฝากฝันพระเจ้าโจหองไว้เลยโจซองนั้นจะทําการสิ่งใดก็กระทําตามมันเพอใจความผิดความชอบประ ก, การใดก็ไม่เพชรถูที่โจซองกระทําการทั้งนี้ เห็นคิดขบถต่อแผ่นดินโทษอันนี้ใหญ่มนะักจะนิ่งเส้นนั้นไม่ควรมาปวายไทยฮาวดีนั้นก็ตกใจก็จริงว่าบัดนี้พระเจ้าโจโหองนะ่ะโปรงสเสด็จไปประาพาสป่าและเราจะรู้ที่จะคิดประการใดอย่างไรคุมาอี ก, ก็ถูกว่าข้าพเจ้าจะขอทำเรื่องราวถวายพระเจ้าโจหองวะให้กำจัดบรรดาคนที่เป็น พ, พวกศัตรูนั้นเสีย การครั้งนี้พงศ อ, อย่าทรงพระวิตตกเลยเป็นภุรักข้าพเจ้าเองฝ่ายนางกลัวไทยเฮพระเจ้มารดาเนี่ยกลัวสุมาออยู่แล้วก็พร้อยวัดตามแตกใจท่านเถิดหรือกว่าอนุญาตละสุดท้แต่สุมาอีจะทำประการใดอย่างไรก็ทำเถิดสุมาอีออกมาแล้วก็ปรึกษาด้วยเกี่ยวเจและสุมาหูอ่า ถึงเป็นคนผริตของตนเป็นบุตของตัวเข้าชื่อกันทำเรื่องราวแล้วก็ใช้ห้องหมุนตามออกไปถวายแก่พระเจ้าโจหองฝ่ายซูมาอี้ก็คุมทารเข้าไปเนยมาให้ทหารรักษาโรงแสงทุกโรงถึงสำหรับไว้อาวุธทั้งพวงแหละมีเ ร, เรียกว่าซูมาอี้าภาษาสมัยใหม่นี่ก็ต้องใช้ระบบปฏิวัติยึดเมืองหลวงเลยแล้วก็พาฐานเดินไปตามถนน เขียดบ้านโจซองจะไปออกนอกเมือง น, นี่ทาหารคนเข้าไปบอกแกนางเหล่าซีภริยาของโจซองว่าบัดนี้สุมาอี้กับโกยิวคุมทหารมาเป็นแม่นมาถือศาตราวุฒครบมือมาใกล้จวนทา่านอืม จ, จะเกิดทำกการได้ฉันได้มีแจ้งนางเหล่าซีก็ไปมาจวนแล้วก็เรียกนายทหารทึ่รับสาจวนนะมาถาม ว่าโจสองซิ์ตามเสด็จออกไปแล้วสุมาอี้คุมฐานมาเป็นอันมากดังเนี้จะทำประ ก, การใดพวกกีผู้รักษาจวนท่านผู้เช้ราชการนี้ก็จิงตอบอ่ะท่านจะวิตตบเลยข้าพเจ้าจอดไปถามให้ได้เนื้อความนี่ว่าแล้วพวกกีก็คุ้มฐานประมาณ50สคนขึ้นไปบนหอใหญ่หน้าจวนแลมลงไปเห็นสุมาอี้คุมฐานเดินเข้ามาถึงหน้าจวน พวกขีค่อยฐานยิงเกาทานลงปัดสุมาอี้จะเดินไปก็เดินไม่ได้ซุนเหียงทหารสุมาอี้ยืนอยู่ใกล้สุมาอี้นั้นก็ร้องห้ามถึงบอกว่าอย่ายิงเกาวทานลงมาท่นยานทูใหญ่จะไปเป็นข้อราชการบ้านเมืองถ้าขืนยิงลงมาทหารตั้งปวงจะเป็นโทษถึงตายซุนเหียงเนี่ยร้องห้ามถึงสองครั้งสามครั้งพวกกี่ก็ยิงห้ามทหารของตน แม่ยิงเกาทัสุมาเจวบุสมัยยกทหารไปก่อนยกทหารไปก่อนสุมาอี้พอออกจากกำแพงเมืองไปถึงปีนท่าก็ตั้งกองทหารอยู่รักษาสะพานสุมาอี้ก็สั่งท า, ารให้ปิดประตูเมืองและให้รักษาประตูไอฐานรักษาประตูวัดตัวนั้นคือไปรักษาเชิงสะพานสะพานข้ามแม่น้ําอันเนี้ย ไม่มีเสาลงดิงหรอกคือวเป็นสะพานแผ่ทุ่นทอดสมอไว้สำหรับให้คนข้ามไปมาสุมาเหล่าจีทหารของโจซองนะแซ่สุมาเหมือนกับแต่ไปเป็นหนัของโจซองเห็นสุมาอี้ก็ททำการดังนั้นกนะ็ไปปรึกษากันกันกบซิงเป๋ซึ่งเป็กปรตราทหารโจซองว่าสุมาอี ก, ก็ททำการครั้งนี้ จะคิดอ่านเป็นประ ก, การใดสิเนเต๋ก็จึงว่าเห็นประหลาดอยู่แล้วเราอย่าอยู่เลยจนคุม้มานของเราโยกไปตามเสด็จเถอะสุมาเหล่าจีก็จึงว่าท่าว่าดังนั้นข้าพเจ้าหาเห็นด้วยไหมสิเนเต๋ก็จึงว่าถ้าดังนั้นเราพากันไปที่หลังบ้านข้าพเจ้าอันเป็นที่สงับจะได้คิดอ่านปรึกษากันสุมาเหล่าจีกับสิเนเต๋ก็พากันไป นางซิงเห็นเองซึ่งเป็นพี่สาวซิงเป๋และเห็นซิงเป๋มาก็ถามว่ามีเหตุการณ์อันใดที่ตกใจลมรานก็มาชนิดซิงเป๋ก็ตอบว่าพระเจ้าโจฮองนะสเสด็จไปประาพาสป่าซูมาอี้ปิดประตูเมืองเสร็จล้เห็นจะคิดเป็นขบแุแน่นางซิงเห็นเอ ง, งว่าที่ว่าซูมาอี้ทำการครั้งนี้ ข, ขับพิเคราะห์ดูว่า เห็นว่าหาเป็นขบุตรใหม่ที่สุมายี้กระทาครั้งนี้คิดการแต่เพียงแค่จะกําจัดโจซองเท่านั้นซินเป๋ดีนียก็ตกใจทีเดียวก็ถึงว่าถ้าเขาทําร้ายแก่โจซองมายข้าพเจ้าดังนี้ข้าพเจ้าจะทําประการใดดีอ่าซินเป๋ไม่รู้จะทําอย่างไรนี่ก็ถามขึ้นนี่ นางสินเห็นเองก็จึงว่าโจซองผู้สมเร็จราชการเนี่ยหามีสติปัญญาความคิดเหมือนสุมาอี้ใหม่เห็นจะแพ้แก่สุมาอี้เป็นมั่นคงสิ่งเป๋ก็จึงว่าวันซืนเนี่ยสุมาอี้ก็ชักชวนข้าบัจเจ้าให้ไปเข้าด้วยเราจะไปเข้าเด็กเขาดีหรือหรือว่าอย่าไปเลยจึงจะดีนางสินเห็นเองก็จึงว่า ธรรมดาชาติทารนี้สับซื้เราเป็นเบาโจซองมาช้านานครั้งหนึ่ว่าโจซองจะแพ้แก่ซูมาอีเราจะไปเข้าด้วยซูมาอีถึงนานไปซูมาอีก็หาที่จะเลี้ยงเราไม่ถึงแม้จว่าโจซองจะเป็นประการใดเราก็จําจะต้องไปหาโจซองแหละจึงจะควรอืม น่งสินเห็นเองไม่มีสติปัญญาสินเป๋ก็เห็นชอบด้วยก็จึงพาซูมาเหล่าจีและทหารประมาณ50สบคนออกไปฆ่าคนรักษาประตูเสียคือการจะออกไปนี่มันต้องซูมาอี้ส่งคนไปรักษาประตูไปหมดแล้วนี่ก็ต้องฆ่าคนรักษาประตูเสียแล้วก็หนีไปหาโจรสองทหารที่รักษาประตูก็เนื้อความไปแจ้งกับซูมาอี้ สุมาอี้รู้ดังนั้นก็เกรงว่าหวนห่อมทหารโจซองจะหนีตามไปด้วยก็จึงให้ทหารไปหาตัวหวนห่อมมาฝ่ายหวนห่อมเห็นสุมาอี้ทําดังนั้นก็ปรึกษาลูกชายว่านี่เราจะคิดประการใดลูกชายก็จึงว่าโจซองผู้ได้ราชการผู้เป็นนายของเรากดตามเสด็จไปซึ่งเราจะเข้าไปคบคิดกับสุมาอี้นั้นก็หาควรไม่ เราจะหนีออกไปตามประตูทิศใต้ไปตามไมยเราจริงจะควร ห, วหัวน่อมเห็นชอบเกลือกก็ขี่มาออกไปตามประตูทิศใต้เห็นประตูปิดอยู่แผลปเห็นสูวนซึ่งเป็นหมาของตัวอยู่ก่อนได้มาเป็นไมยประตูอยู่ที่นี่ก็จึงชูไม้จดหมายรับฟังให้ดูแล้วก็พูดว่าพระอนางกวยไทยเฮาพระจมันดามีรับฟังให้เราไปเป็นการด่วน ท่านเรีเปิดประตูให้เราด่วนเถอะสู๋หว น, นั้นก็จริงผู้บ่าข้าพเจ้าต้องขอดูรับสั่งก่อนหววห้อมก็จริงว่าเจ้าเป็นเบาเราอยู่ก่อนข้าราชการน่ะด่วนทังเพียงนี้หาคนที่จะหนักงวงให้เราช้าไม่สูห๋หนนัวนด้ฟังอย่างนั้นก็ความเป็นเจ้าไม้เก่าด้วยสูห๋หัวเป็นเพียงผู้รักษาประตูแล้วก็จําต้องสั่งเปิประตูให้ ห่อน้อมออกไปหน้าประตูแล้วก็จึงว่าหันกลับมาพูดแบบสุมาอี้คิดขบวนแล้วเจ้าอย่าอยู่เลยไปด้วยเราเถิดสูรหัว น, นี้ก็ตกใจและตัวเองก็าเจอว่าผิดแล้วก็ผิดละ่ะเพราะเปิดประตูให้หัวน้องออกไปนี่ก็ผิดก็จึงวิ่งตามไปจะจับตั ว, วหัวน้องก็มิดทันนายประตูนั้นก็จึงไปแจ้งแกสุมาอาี้ว่าบัดนี้หัวน้องหนีไปไปแล้ว นี่ซูมาอี้วิตกอยู่แล้วเกรงวัห้องจะหนีออกไปสู่ส่งฐานไปตามแต่วัวห้องหนีไปก่อนแบบนี้สุมาอี้เด็แก่งความชนิดก็ตกใจทีเดียวก็ปรึกษากับเจียวเจว่าเราทําการทั้งนี้คนข้างนอกจะรู้เนี่ยก็เพราะวนห้องหนีออกไปได้เจียวเจก็จึงว่าถึงคนข้างนอกจะรู้ก็จะกลัวอันใดเราเร่งรักษาเมืองให้มั่นคงเถอะ สุมาอีก็ยิงให้เรียกหาเข้าอิงต้านไทยทหารโจซองสองคนกขามาสั่งว่าท่านเร่งไปบอกแกโจสองว่าเราทําการท้งนี้หาดิคิดทำร้ายแกเจ้าแผ่นดินและโจสองไหมท่านจะได้แข็งใจเลยเราเห็นว่าทหารสมัครพระพวกของท่านน้ำมากนะละไว้มานไปเกิดจะเป็นอันตรายที่เราทําดังเนี้หวังจะยกทหารสมัครพระพวก พี่น้องของท่านเอามาเป็นของหลวงสูมยอีกกล่าวดังนี้คือทหารทั้งสิ้นเป็นทหารของโจซองผู้จะรับาการทั้งนั้นซูมาอีกล่าวว่าเจ้าทหารเราเนี่มาเป็นทหารหลวงได้เท่านั้นแหละสั่งแล้วก็ให้เข้าอินต้านท่ายออกไปแต่ซูมาอีนั้งก็เกรงว่าโจซองจะไม่ฟังคําเข้าอินและต้านท่ายก็จึงให้หาอินต า, นายบอก เป็นฐานผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนผลิตกลองโจซองกามาและก็ใช้เกี่ยวเจแต่งหนังสือเรื่องราวเหมือน ท, ที่ที่ได้สั่งกับเข้าหญิงต้านทายนั่นแหละส่งให้แกอิงต่ายบกและก็สั่งสำพับซ้งไปว่าขอให้ท่านเร่งไปบอกแกโจซองว่าเรากับเกียวเจไม่ให้สัตว์สาบานต่อกันไปแล้วที่เราคิดทำทำการทาั้งเนี้หาได้ทําอันตรายแก่ครอบครัวบุพรพยาของโจซองไหม เราจะกระทำแต่เพียงแค่จะยกเอาทาหารของพี่น้องโจซองท่านปวงนั้นมาเป็นทาหารหลวงแคยเท่านั้นกินใตยบกรับมือฝีนั้นแล้วก็ลาออกไปฝ่ายโจซองโจซองท่านผู้เฟราชการ ขี่มาไล่เนื้อเรนในกลางป่ามีทหารไปบอกว่าบัดนี้ในเมืองอะเกิดมิวัวยสุมาอ้ใช่คนถือสือเรื่องรามาถวายแกพระเจ้าโจฮองจะวันเนี้ความประการใดอย่างไรก็นี้ได้แจ้งโจซ ง, งท่านผู้ทำเมตราชการได้ยินดังนั้นก็ตกใจรวงจากมา้ามาเฝ้าพระเจ้าโจฮองแลไปก็เห็นห้องมูลถือสือหมอบอยู่หน้าที่นัง โจซองก็รับอาหนังสือนี้นส่งให้คนอื่นอ่านถวายในเรื่องราวนั้นว่าขาบัตเจ้าสุมาอีเด็กตามเสด็จพระองค์มาแต่เมืองเสียวตังทําราชการมาช้านานแล้วเมื่อพระบีนาของพระองค์จะดับศูนย์นั้นให้หาพระองค์กับขบัตเจ้าและโจทอง เข้าไปเฝ้าณที่บันถมซึ่งประชวนอยู่นั้นจึงยื่นพระหัตมารูกหลังเข้าไเจ้าและฝากฝังพระองค์และบ้านเมืองแก่ข้าพเจ้าและโจซองบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นโจซองหาได้รำลึกถึงพระบิดาของพระองค์ซึ่งฝากฝัง ก, การทางนั้นไว้ไหม่โจซองทําการทัางนี้เห็นจะคิดขบถต่อแผนดิน จึงตั้งให้เตียวต๋องคนสนิทเป็นพี่เต้ากำเข้าเฝ้าข้างในได้เพื่อให้คอยฟังความรับทั้งปวงในพระองค์และให้รักษาเพื่อแสงและตราหยกสำหรับกระยัครั้งก่อนโจสองทูนยุยงให้ขับมอเตอรสีซ้ายขวาพระวีดาของพระองค์ทำให้ผิดแพกกันจนตายลงไปองค์หนึ่ง ก็ได้ความแกนเคืองถึงรพระญาตระวงอยู่บัดนี้การแผ่นดินทั้งปวงก็มิได้พิจทุนพระองค์เลยแม้จะให้ล้านคนโทษถึงตายก็มิได้ทูลก็สั่งข้าใช้ตามอำเภอใจชนนี้อันหนึ่งพี่น้องและทหารพระพวกโจซองคุมเห็นขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยในราชฎรทั้งปวงให้ได้รับความเด้อดร้อนเป็นอันมากโจซอง ทำการทางนี้หาคิดถึงคำพระบิดาของพระองค์ซึ่งฝากไว้ไม่เลยอันตัวขบเจ้าหาลืมคำสั่งของพระบิดาพระองค์ใหม่ขบ เ, เจ้ากับเจียวเจสุมาหูระลึกถึงคุณพระบิดาของพระองค์ซึ่งชุบเรี่ยงมาแต่ก่อนจึงปรึกษาพร้อมกันจัดแจงให้ทหารไปรักษาจวนโจซองและจวนพี่น้องโจซอง และข้าพเจ้าจึงเข้าไปทูลเนื้อกวานทั้งนี้แก่พระมารดาของพระองค์พระราชมารดาของรลวงก็เห็นชอบด้วยจึงให้ข้าพเจ้าทาเรื่องราวทั้งนี้มาทูลแก่พระองค์ข้าพเจ้าจึงให้ห้องวุนเอาเรื่องราวมาถวายขอให้พระองค์ถอดโจซองโจ อ, อี้โจหุ่นออกจากที่แล้วให้ยกเอาฐานทั้งปวงไปเป็นของหลวง แต่ข้าพเจ้าคอยหาช่องมาพึ่งได้ทีครั้งนี้ตั้งแต่ข้าพเจ้าคอยหาช่องมาก็พึ่งจะได้ทีนะครั้งนี้ข้าพเจ้าจึงคิดอ่านทำการทะลุบำรุงพระองค์ข้าพเจ้าจึงยกกองทหารมารักษาอยู่นะเชิงสะพานแพร่ตำบโลลบุรีคอยดูผิดและชอบอยู่ ได้ความในหนังสือของซูมาอีเรียกว่าวุาหะคณปฏิวัติที่จะเกิดทําการในี้คือก็คือจะถอออรถอดถอนอำนาจทั้งปวงของโจซองโจอี้โจหุ่ม น, น ะ, ะเจ้าโจฮองได้ฟังความในหนังสือทั้งสิ้นแล้นาก็ตรัสแก่โจซองว่าบัดนี้ท่านจะคิดประการใดโจซอง ท่านผู้สำเร็จราชการซึ่งงัวเมาในอำนาจราชการาแข่งตนเป็นยิ่งนะักใครจะทักทวงห่างตามประการใดอย่างไรมิดได้เลยได้แจ้งดังนั้นก็ตกใจยิ่งหน้าเผือไม่มีสีเลือดเลยอ่อนระทวยไปทั้งตัวทีเดียวก็เรียวหน้ามาปรึกษากับโจอีว้ว่าความทุ มีมาถึงเราครั้งนี้เราจะคิดอ่านแก้ไขประการใดโจโอี้ถูกเป็นน้องกก็จิงตอบว่าข้าพเจ้าได้ห้ามท่านแต่ก่อนแล้วท่านก็ยังขืนทําตามอำเภอใจได้ผิดแล้วข้าพเจ้าจะรู้ที่จะคิดประการใดอ่ะสุมาอีคนนี้มีสติปัญญาความคิดมากนะ จนถึงคงเบ่งซึ่งเป็นคนดีหลักแหลมยิ่งก็หาเอาชายชนะแก่ซูมาอี้ได้ไหมเราพี่น้องแต่เท่านี้จะรู้ที่คิดอ่านแก้ไขประการใดปกควรแต่จะมัดตัวก็ไปหาเขายอมให้ทางโทษเห็นจะรอดชีวิตโจอี้ว่าอย่างนี้หรือยังไม่ทันจะสิ้นธรรมก็พอดีสินเป๋และซูมาเล่าจีนี่มาถึง โจซองก็ถามถึงการในเมืองคนทั้งสองก็เลาการในเมืองได้ฟังทุกประการแล้วแล้วก็จักรวรรดิาานี้เขารักษาเมืองมั่นคงนะเหมือนหนึ่งปีปลอกเหล็กรัดถังฝ่ายตัวซูมาอี้ก็คุมหนานอยู่เป็นอันมากมารักษาอยู่เชิงสะพานท่านอย่าพึ่งเข้าไปเลยเร่งคิอุบายแก้ไขตัวเถอะขณะนั้นก็ปอดีหวนห้อมขับมามาถึง โยสงก็ถามถึงการมนเมืองวนห้องก็จึงตอบทีเดียว่าบัดนี้สุมาอี้คิดขบวนแล้วท่านเร่งเชิญเสด็จไปเมืองฮูตเตะถจะได้เกลียกล่อมทหารจัดแจงสัตว์ราวูได้พร้อมแล้วจะได้ยกมาทําการแก่สุมาอี้โยสองก็จึงว่าคุณนางที่มาทางนี้ครอบครัวบุตรภรรยาก็อยู่ในเมืองสิ่นทุกคนอันจะคิดทําการดังนั้นหาได้ไหมหวนห้องก็จึงว่า ท่านกลวบุตรภรยาจะเป็นอันตรายจึงไม่คิดการสงครามเมื่อเป็นชนิดก็จงยอมเข้าไปหาฆ่าศึกคิดอ่านท้งนี้หารักชีวิตไม่เลย ร, รักบุตรภยายิ่งกว่าชีวิตตัวอีกแล้วข้าพเจ้าหาเห็นด้วยไหมเป็นธรรมดาชาตทหารก็หารักชีวิตผู้อื่นไม่คิดแต่จะรักษาชีวิตตัวไว้ให้จงได้มีคนหอบไหวอย่างนี้โจสอง ก็ไม่ฟังคำเวนห้องคิดถึงตัวเองร้องไห้น้ำปาลาไหลลงมาอาบหน้าทีเดียวเวนห้องก็จริงว่าแต่นี่ไปเมืองหูโตก็มีสู้ไกลนะไปประมาณสักสองยามก็จะถึงนาทีนั้นข่าปลาอาหารก็บริบูรณ์มากจะเลี้ยงฐานได้สักสองเดือนกว่าจะเตรียมการพร้อมก็จะได้อยู่ ท่าเร่งคิดเถอะอย่าช้าเลยจะเสียการโจซองก็จึงอกการครั้งนี้เป็นการใหญ่เร่งรีบนักจะเสียการเราะจะขอตรวจรองให้รละเอียดก่อนโจซองว่าจะนี่ขอเวลาก่อนสักครู่นี้เข้าอิตามต้าน่ายก็มาถึงเป็นระรอกสองละ่ะก็เข้ามาว่าแต่โจสองว่าสุมาอีเกิดทาการครั้งนี้นะ สุมาอีหาทาอันตรายแก่ท่านไหมสุมาอี้จะกระทาแต่พอที่จะยกเอาทหารของท่านและทหารของพี่น้องท่านไปเป็นของหลวงเท่านั้นนี่าเข้าอินตานถ่ายมาแจ้งเช่นนี้เรียกว่าจะปวดอมมากลงบ้างเท่านั้นแหละโจสวองได้ฟังแล้วก็หาเห็นด้วยไหมนิ่งอยู่ และอินไตมกซึ่งเป็นฐานกุญแจของโจซองก็มาถึงด้วยอีกเป็นรอบที่สามก็แจ้งเนื้อความวบาซูมออาอีกับเจียวเจตั้งสัตษสาบานต่อการคิดอ่านจะทำการครั้งนี้นะมิได้คิดที่จะทำอันตรายแก่ท่านหรอกและเจียวเจก็มีหนังสือมาถึงท่านให้หมอบทหารทั้งพวงให้แก่ซูมาอีฝ่ายตัวท่านอนอะย่าวิตตกเลยหาเป็นรายใหม่ เร่งกลับเข้าไปหาบุตรภยาเธอโจซองได้ฟังอินต่บกชี้แจงเ่นนี้ว่าซูมาอีมาเลยจะร้างฐานชีวิตตนไปอย่างไรเพียงแต่จะปลดอำนาจตอนออกไปบ้างเท่านั้นแหละโจซองก็ค่อยคลายใจแต่ข้างฝ่ายหวนห้อ่อมหวนห้่อมมันก็เตือนว่าการรอนถึงเพียงนี้แล้วยังจะฟังทาคนอื่นอีกหรอโจอ่า วนห้องกับเตือนอย่างนี้ฝ่ายโจสองวันนั้นจนกระทั่งกลางคืนให้เศร้าโศกนะคิดหาอุบายที่จะแก้ตัวก็มองไม่เห็นช่องเลยชักกระบีออกมาถือไว้เป็นทุกทอดใจใหญ่น้ำตาไหลลงอาบหน้าคิดคิดไปต่างานานม า, นาแต่เวลาค่ำจนสว่าง ก็ไม่เห็นอุบายเลยที่จะทําประการใดอย่างไรได้ท่านผู้ที่ไม่รักจากาักรโศกเศร้าตั้งแต่รั่สิ้นอำนาจแล้วคิดคิดแตกคำจนสว่าง ดูเธอทุกขนาดไหนพอดใจใหญ่น้ำปาลาไหลรองอาบมาอยู่ฉันนั้นแหละจนสว่างไม่เห็นทางเลยหวนห่มก็เดอนว่าคิดมันแต่หัาค่ำจนรุ่มสว่างแล้วเห็นอุมายที่จะแก้ไขประการใดจงเล่าให้ขบจอบาฟังบ้างจะได ก็ทิ้งกระบีรงแล้วก็พูดว่าเราไม่ยกทัพไปให้ลำบากแก่ทหารแล้วจะถอดเราออกซะจากที่ก็ตามเถิดเราจะได้นั่งกินนอนกินให้สบายโจซองตปร่งตกเลยหสินา ม, มาแล้วก็ดีคลใคยดังนั้นแหละจะได้นั่งกินนอนกินให้สบายคุณห่องได้ฟังดังนั้นเด็กทนไม่ไหว เพราะถ้าโจซองสิ้นอำมากตนเองอมมากที่พอมีอยู่ก็จะสิ้นไปด้วยอ่ะได้ยนินนั้นก็ร้องไห้กันด้วยเสียงนั่นดังแล้วก็เดินออกมาจากที่นั้นแล้วก็จึงพูดว่าโจจินพ่อของโจซองก็อวดตัวว่าเป็นคนมีสติปัญญามีบุตรถึงสามคนก็ไม่สั่งสอนมีความรู้วิชาการเลย เมืนสุกรและกระมือคือมือนัวเหมือนควายเหมือนหมูขวนน้อมว่าแล้วก็ร้องไห้เข้าอินบ้านไทยก็าเข้ามาว่าแกโจซองว่าถ้าท่านยอมแล้วก็จงเร่งในคนถือตราสําหรับที่เข้าไปมอบให้แกสุมาอีให้สิ้นสงสยัยโจซองได้ยินดังนั้นโปรงตกแล้วยอมแล้ว ก็ส่งตราสำหรับพี่ให้แกเข้าอิงและต้านทายมีสมุดบัญชีคนนึ่งชื่อเอียวจงเห็นดังนั้นก็ร้องไห้ก็ามาฉุดตราไว้แล้วก็พูดว่าท่านทิ้งทหารทั้งปวงเสียจะมัดตัวเข้าไปรับอาญาเขาข้าพเจ้าเห็นว่าก็จะไม่พ้นที่ตายกลางตลาดไปได้เลยโจสองก็จริงว่า สุมาอีเป็นคนดีเห็นจะไม่เสียวาจาสับโจซองว่าแล้วก็ยื่นปลายแก่เข้าอิงต่างถไายแล้วก็สั่งว่าท่านจงเอาไปหมอ้อไปแก่สุมาอี้อย่าให้มีความแคลงในเราเลยเข้าอิงต้านไทยก็กลับเข้าไปในเมืองเมื่อเข้าอิงต่างถไายกลับไปแล้วฝ่ายโจซองก็ค่อยตามไป รังนั้นทหารทั้งปวงเห็นโจทซองไม่มีตราสําหรับที่แล้วคือรั่วไม่มีอํนานาจแล้วถูกถอดแล้วโดยปริยายนี่แหละต่างคนต่างก็หนีกระจายกระจายไปก็ยังเหลือแต่พี่น้องสามคนกับคุณงานซึ่งเป็นคนสนิทก็ได้พากันเข้าไปในเมืองครั้งไปถึงเชิงสะพานแพรก็เข้าไปหาสุมาอิ้สุมาอีก้อ ก, ก็จริงว่า เชิญท่านพี่น้องสามคนกลับไปยังเรือนท่านเถอะตอนนี้เรียกว่าเรือนแล้วตอนแรกเรียกว่าจวนคือที่อยู่ของท่านขุนมานผู้ยิ่งผู้ใหญ่นี่จะต้องเรียกว่าจวนอย่างเช่นของเราเรียกจวนข่าหลวงเอามีสุมาอี บ, บอกเชิญท่านพี่น้องสามคนกลับไปยังเรือนท่านเถอะแต่คุนมาผู้เป็นพักพวกมานั้นสุมาอีสั่งให้เอาไปจําคุกไว้ทุกคน โจสองพี่น้องแสตโจทั้งสามก็เดินไปและนะํบบัตรนี้ท่านผู้เคยมีอำนาจมีข้าถาสิดซอยห้อยตามแหหน้าหอบรังเต็มประดาจะไปไหนมาไหนจะต้องมีการแห่แหนทหารสามพันเป็นอัตราบัตรนี้หามีผู้ใดติดตามไม่แม้แต่สักคนเดียว ครหวน่อมเมื่อมาถึงเชสะพานเนี่ยซูมาอี้นั่งอยู่บนหลังมา้าเห็นหัวน่อมเขาตัดชี้มือแล้วร้องว่าหวน่อมท่านทำไมจึงมาทําข้ายอย่างนี้ซูมาอี้พูดอย่างนี้วอกหั ว, หวน่อมทําไมจึงมาทําข้ายอย่างนี้หวนห่อมไม่รู้จะตอบอย่างไรก็ก้มมาลับไปบ้าน สุมาอี้นั้นก็คอยรับสเสด็จพระเจ้าโจซองอยู่นาที่นั้นครั้นพระเจ้าโจซองสเสด็จมาถึงสุมาอี้ก็เชิญสเสด็จเข้าไปในวนังบ้านโจซองท่านอดีตผู้เ้วยราชการพี่น้องสามคนอยู่นั้นนะ่ะอยู่เรียงกันมีกำแพงล้อมเป็นอันเดียวกันสุมาอี้จึงใช้ทหารไปปิดประตูลั่นกุญแจแทบทุกประตู และสั่งชาวบ้านที่อยู่นอกกำแพงบ้านโจซองนั้นซึ่งเป็นผู้คนแ0 0รอยเศษว่าท่านทั้งปวงจงรักษาไวให้มั่นคงถ้าโจซองและน้องและน้องของโจซองหนีไปได้ชาวบ้านทั้งแ0 0อยนี่จะเป็นโทษถึงตายฝ่ายโจอีน้องโจซอง เห็นโจซองเป็นทุกข์นักก็จริงว่าข้าวเสบียงเราก็สิ้นแล้วท่านจงให้มีหนังสือไปถึงซุมาอี้ขอยืมข้าวมากินถ้าซุมาอี้ให้ข้าวแก่เราก็ก็ยังพอเห็นได้ว่าซุมาอี้จะไม่ทำอันตรายแก่เรานี่โจอี้นี่ยั ง, ย, งยังมีปัญญาอยากจะดูสิว่าซุมาอี้ พูดชิงอำมาไปได้เนี่ยจะเกิดทาอย่างไรกับพวกตนต่อไปก็ใช้วิธีเนี่ยโจซองก็เห็นชอบด้วยจึงทําหนังสือแล้วก็ส่งให้แก่ชาวบ้านที่รักษาตนอยู่ที่ควบคุมตัวอยู่เนี่ยถือไปแก่ซูมาอีซูมาอีก็ให้ทาหารนําเอาเข้าวสารร้อยถังมาส่งให้หนะบ้านโจซองโจซองก็คลายใจ ก็จริงว่าแกพี่น้องอาจิงว่าแกน้องทั้งสองว่ะสุมาอี้หาทำอันตรายแกเราไม่เป็นความจริงแล้วฝ่ายสุมาอี้ตอนนี้ต้องเรียกท่านว่าท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติ สูมาอีนั้นสั่งให้ฐานจับตัวเตี้ยวต๋องซึ่งโจซองตั้งให้เป็นเต่ากัมกรมมาวางนั้นเอาไปเคี่ยนสอบถามเมื้อความว่าได้คบคิดกับโจซองจะทำการขบถต่อแผ่นดินใช่หรือไม่ครั้งเคี่ยนถามต่ากัมคือว่าเตี้ยวต๋องเนี่ยก็รับเป็นความสาัตว์ ว่าขบเจ้าได้คบคิดทําการขบกับโจสองจริงฝ่ายฐานซักถามว่าคิดการขบแต่สองคนนี้หรือเรายังหาเห็นว่าจริงไหมเต่ากัมกรมมาวางนี้ก็ซัดว่าเมื่อคิดกันนั้นนะ่ะก็มีโฮอังคนหนึ่งเตงเหียงคนหนึ่งหลีศินคนหนึ่งเต็งปิดคนหนึ่งปิดหว้วนอีกคนหนึ่งนี่ คุณนางคนสนิทคุณนางห้าคนนี้ได้คิดการด้วยขบจ้ากับโจสองสุมาอี้ให้ฐานไปจับตัวคนทั้งห้านั้นมาสอบถามทั้งห้าคนก็ยอมรับเป็นศัตว์แล้วจึงให้การว่าได้สัญญากันว่าอีกสามเดือนจึงจะทำการสุมาอีก็สั่งให้จำคา ปริงตปูให้มั่นทั้งห้าคนเพื่อตปูตอกมือเลยปริงไว้อย่างนั้นเลยข้างฝ่ายสู้หวนซึ่งเป็นนายประตูความผิดของตนมีอยู่ที่ปล่อยให้หวนห้อมบ อ, อกไปอ่ะสู้หวนนายประตูได้เข้ามาแจ้งแกซูมาอี้วะหวนห้อมลวงกข้าไจ้าให้เปิดประตูว่ามีรับสั่งใช้ เหอหุนห้อมออกไปได้แล้วเด็กกล่าวโทษว่าท่านเป็นขบสุมาอีกก็ยิงว่ามันเป็นขบถเองสิปรับมากล่าวโทษว่าเราเป็นขบถอีกเราว่าแล้วก็สั่งทำให้ไปจับตัวหุนห้อมกับพรรคพวกและโจสองพี่น้องสั่งให้ทหารเอาไปจําไว้ในคุกและสุมาอีก็ปรึกษาคุณนายทั้งปวงว่าไอคิดนี้ชอบเหล่านี้ รับเป็นสัตว์แล้วจะเอาไว้นี่ได้คุณนานทั้งปวงก็เห็นชอบด้วยสมาเอ็ก็สั่งให้คนพทษทั้งปวงนั้นเมื่อสอบความกันแล้วเนี่ยได้จำนวนเป็นพันก็ให้คนพทษทั้งปวงประมาณ